มันจะไม่สุกมันจะไม่ทุกข์นะมันจะไม่ชอบไม่ทงังมันจะเฉยเนี่ยเฉยรู้เฉยเฉยข้ามันเองทีนี่มันจะเป็นโดยธรรมชาติของมันน่ะมันจะเป็นธรรมชาติต่อไปนะครับนี่ฮายโยมี่เราอาการให้ให้เพื่อนเขาฟังตั้งแต่โยมทํามาทีแรกณนะปัจจุบันจนถึงปัจจุบันนี่นะเอะ่ตั้งแต่โยมทํามาทีแรกเลยทํามากี่ปีตั้งแต่ปีไหนจ เ, หเจ้าค่ะเอ่อแล้วพ่อเจ้าขาพอดี ยมฝึกปฏิบัติตั้งแต่อายุสิบแปดแล้วค่ะคือปัจจุบันนี้ยมอายุหกสิบปีเจ้าค่ะยมก็เหมือนกับอาจารย์เลยเจ้าค่ะลองผิดลองถูกแล้วก็อยู่กับสมถามาเจ้าค่ะกลับขอกับขอโ อ, อกาสหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ ะ, คะหลวงพ่อเจ้าค่ะคือคือถ้าจะให้ <laughs> คือถ้าจะให้เล่าเจ้าค่ะมันมันเนิ่นนานมากแล้วก็โยมเป็นคนที่โดยนิสัยส่วนตัวแล้วเจ้าค่ะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วก็ตั้งใจมากเจ้าค่ะไม่ว่าจะเรื่องทางโลกทางธรรมหรืออะไรก็ตามถ้าโยมทําแล้วยมจะต้องทําให้ถึงที่สุดโยมก็เริ่มเริ่มปฏิบัติตั้งแต่อายุสิบแปดตอนนั้นหลวงพ่อจะลานบัดอัมพวันสิงห์บุรีเจ้าค่ะ น่าจะเป็นสถาบันสำนักหนึ่งที่ทุกคนรู้จักและก็ปฏิบัติตามเจ้าค่ะยมก็เริ่มจากตรงนั้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วยมก็ปฏิบัติเรื่อยๆเจ้าค่ะลองผิดลองถูกสุดท้ายยมเหมือนหลวงพ่อเหมือนพระอาจารย์ทุกๆองค์คือไปติดสมถะเจ้าค่ะ โอมแค่นั่งหลับตายังไม่ทันบริกรรมพุทโธเลยเจ้าค่ะด้วยความที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติมากแค่โยมหลับตาหายใจเข้าออกแค่สามสอาครั้งจิตโยมก็เข้าสู่ฌานที่สี่แล้วเจ้าค่ะคือไม่มีไกาจะอยู่กับความว่างอยู่กับความว่างอย่างนั้นจนน่าจะห้าหกปีเลยเจ้าค่ะ หรือแม้กระทั่งยมติดหนักมากเลยนะคะด้วยความที่จิตแบบจะหาทางพ้นทุกแล้ะยมเชื่ว่าทางนี้แหละคือทางพ้นทุกคือความสงบเจ้ค่ะแม้กระทั่งเ อ, อขณะที่ยอมอยู่กับครอบครัวยมมีครอบครัว ม, ม, ม, มีลูกมีสามีนะเจ้าค่ะลูกเขาก็ดูทีวียมก็มองทีวีไปด้วยดูแค่ไม่กี่แบบแป๊บเดียวจิตก็รวมฟึบเข้ามาสู่ความสงบทั้งที่ยมดูทีวีอยู่ค่ะ ความสงบของโยมก็คือโยมไม่สามารถที่จะลืมตาได้เลยด้วยความที่ติดสมาถะอย่างมากโยมก็จะต้องรีบหลับตาแล้วก็นั่งสมาธิเพราะไม่งั้นมันจะลมจะ้ะโยมก็ติดอย่างนั้นมาหลายปีสุดท้ายโยมมาเจอเออหลวงพ่อหลวงปู่สาครธรรมวุโธฑคะ่ะที่เป็นพระอุปถัชฌ์หลวงปู่ฟ้านอาจารย์โยมก็มีความศรัทธาในคําสอนของท่านมากคือ ท่านสอนสมถะและก็วิปัสสนามีอยู่วันหนึ่งเป็นวันที่พิเศษมากสำหรับโยมเป็นครั้งแรกที่โยมรู้สึกตัวว่ากายนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรามันแยกออกจากกาันชัดเจน ม, มากคือวันวิสาขาบูชาเมื่อสิบสองปีที่แล้วจ้า ห, หลังจากที่โยมไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่สาครที่วัดเวลูวันจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งนั้นโยมก็ใช้ชีวิตแรกเหมือนกันเจ้าค่ะไม่ส่งจิตออกนอกบริกรรมพุโทโธตามแนวของหลวงปู่ฟัน่นไม่ให้ผิดเพี้ยนแม้แต่นิดเดียวด้วยความที่ตั้งใจมากๆวันนั้นเป็นวันวิสาขาบูชาก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันเขาก็ลาศิลปดแต่โยมคิดว่าไม่วันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาทาไมโยมจะต้องลาศิล ตอน8โมงเช้าโยมตั้งใจก็โยมจะมาเวียนเทียนที่สนามหลวงวันนั้นมีพระบรมสารีริกธาตุสถิตอยู่ที่นั่นโยมก็คิดว่าโยมจะไปเ อ, อเวีย น, เ ว, ยนเวียนปทักษิณาเจ้าค่ะที่สนามหลวงโยมก็ได้มาจริงๆเจ้าค่ะที่สนามหลวงโยมก็ได้เวียนประทักษิณาสามรอบแล้วก็กลับถึงบ้าน วันนั้นเป็นวันพิเศษที่สุดเลยก็คือหลังจากที่โยมก้าวเข้าไปถึงที่บ้านเช้าคะ่ะเดียวก็มีเพื่อนตามไปด้ยวยคนหนึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยกันพอโยมเข้าไปถึงบ้านกำลังดื่มน้ํากันพูดคุยกันเรื่องการปฏิบัติได้ไม่กี่คำอยู่ๆจิตของโยมคะ่ะก็รวมตัวฟรุปโยมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ถึงสามครั้งในชีวิต ครั้งแรกคือวันนั้นวันวิสาขาบูชาเมื่อสิบสองปีที่แล้วความรวมของของโยมครั้งนี้ไม่ได้เหมือนกันจิตรวมทุกๆุกครั้งที่อยู่ในความว่างโยมจะอยู่ในฌานที่สี่แล้วก็อากาสารา น, นจา ย, ยัตนาน่าจะอยู่ถึงหกปีเต็มๆโยมไม่สามารถหนีหนีความสงบของสมาธิได้แต่โยมมาชนะได้ตรงที่ โยมเอาจิตออกโดยการหาหนังสือสวดมนต์เจ้าค่ะทั้งๆ ท, ที่บทสวดเหล่านั้นโยมสวดได้อย่างคล่องแคล่วมากแต่โยมไม่โยมอ่านทีละคําให้จิตไปอยู่กับคําสวดในหนังสือเจ้าค่ะโยมถึงออกจากความสงบนั้นได้แต่วันวิสาขบูชาวันนั้นคราวนี้มันไม่ได้รวมเหมือนทุกๆครั้งเจ้าค่ะพอมันรวมปุ๊บ ตอนนี้กายก็คือกายมันไม่ใช่เราเจ้าค่ะอยู่ๆมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่เราจะมองเป็นก้อนเนื้อก็ใช่เป็นธาตุสีก็ใช่จะมองเป็นธาตุดินก็คือธาตุดินท่าน้ำคือท่าน้ำท่านลมก็คือท่านลมใสคือโยมไม่สามารถที่จะมอง ก, กระจกแล้วบอกว่านี่คือเราได้เลยเจ้าค่ะ สยองก็ร้องไห้ความรู้สึกวันนั้นก็คือยอมถูกหลอกเจ้าค่ะแล้วยมก็หมดแรงเลยเจ้าค่ะวันนั้นยอมหมดแรงถึงขนาดว่าโยมไม่สามารถลุกขึ้นมาได้เลยยมจิตขนาดนั้นมันมีความรู้สึกว่าโอ้ยทําไมเราโดนหลอกเนี่ยมันไม่ใช่เราเนี่ยเลยลงมาหมดแรงแล้วร้องไห้เพื่อนก็ไปหยุ่งยอม ตอนนั้นลืออมเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสนองวัด ส, สังฆทานแล้วคะมันมีพัฒนาการขึ้นมาก็ไปหาหลวงพ่อท่านก็บอกว่าโยมน่าจะบรรลุธรรมขั้นแรกเป็นพระสจุจริตในวันนั้นเจ้าค่ะแล้ววันนั้นหลวงปู่ท่อนยานัทโลซึ่งตอนนั้นท่านอาพาเจ้าค่ะแล้วท่านก็ไปพักอยู่ที่วัดเอป่อามณีการ ที่หลวงปู่สากลธรรมะวุโธ ท, ท่านอุปถากอยู่โยมก็เป็นลูกศิษย์ท่านเหมือนกันโยมก็จะหมั่นไปสวดมนต์แล้วก็ทําบุญกับท่านคืนนั้นท่านก็มาหาโยมขณะที่โยมหลับไปเจ้าคะ่ะท่านก็เข้ามาหาบอกว่าเ อ, อวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเล่าให้หลวงปู่ฟังอันนั้นก็น่าจะเป็นหลวงปู่ครบาอีกอาจารย์อีกองนหนึ่งที่รับรองสภาวธรรม แต่หลังจากนั้นอีกยังก็กลับมาเป็นคนเดินอีกเจ้าค่ะยังก็ยังมีความโกรธยังมีความโลภโยงค้าขายเจ้าค่ะก็ยังมีความหลงอยู่บ้าดอกไม้นี่สวยเจ้าค่ะพระโยมก็ชอบดอกไม้เจ้าโยมก็เลยเชื่ออ๋อเรายังไม่จบแล้วหลังจากนั้นโยมก็พยายามที่จะปฏิบัตินะคะในแนวของธรรมยุทธ์ตลอดมาแต่สุดท้ายโยมหนีสมถะไม่ได้เจ้าค่ะ โยมก็มีการพัฒนาอีกจนกระทั่งโยมไปได้ฟังการเจริญสติกำหนดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ส่งจิตออกจากกายเจ้าคะชืะอ่อ อ, อ, อันนี้เป็นครูอาจารย์ที่โยมเคารพมากๆอีกพระองค์หนึ่งน ะ, ะเจ้าคะท่านอยู่ที่จังหวัดเชียงรายท่านบอกโยมว่าไม่ให้ส่งจิตออกนอก ให้กำหนดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ได้ทุกๆุกอิริยาบถไม่ให้โยมหลับตายอีกแล้วจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนให้กำหนดความรู้สึกตัวอยู่อย่างนั้นตราบใดที่โยมรังมีลมหายใจตราบใดที่โยมยังลืมตามไม่หลับไปก่อนให้โยมกำหนดความรู้สึกตัวให้ทั่วพร้อมให้ได้อยู่เนืองเนืองบ่อย แล้วก็ตลอดไปเท่าที่เราจะสามารถจระละลึุกได้เจ้าค่ะยมก็ได้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นก็คือทำความรู้สึกตัวไม่ส่งจิตออกนอกกายยมสมมุติร่างกายยมเป็นลูกโป่งเจ้าค่ะผิวหนังของโยมก็คือผิวหนังของลูกโป่งแต่ข้างในของโยมเนี่ยเจ้าค่ะข้างในของโยมโยจะทำเป็นเป็นบ้างๆทั้งกายเลยเจ้าค่ะ ใ ห, ใ, หให้ให้จิตของโยมอยู่ในร่างกายที่ไม่โดนบีบบังคับเจ้าค่ะให้มันนิ่งๆโล่งๆว่างๆอยู่ในกายแล้วก็ไม่ส่งออกแล้วก็เมื่อวันที่สามสิบตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเมื่อกือบสามปีที่แล้วเจ้าค่ะวันนั้นโยมก็ทานข้าวเช้าอยู่กับลูกสาวสองคนโยมก็เล่าลูกสาวฟังบ้าเออวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่คุณแม่รู้สึกว่า มันนิ่งว่างไปหมดเลยแม้ว่าโยมจะมองไปทางไหนจะเห็นแต่ความว่างทะลุออกนอกโลกนอกจักรวาลไม่มีสรรพสิ่งใดเลยอยู่บนโลกมนุษย์นี้พอยมเล่าอย่างนี้แล้วโยมไปเห็นสภาวะที่โยมเห็นอยู่ก็คือความว่างที่ไม่มีอะไรเลยเช้ค่ะทันใดนั้นจิตโยมก็รวมอีกครั้งหนึ่งครานี้เป็นการรวมที่ ที่สุดของชีวิตโยมเหมือนกับอยู่ๆจิตมันก็รวมโยมมีความรู้สึกว่าเสียงมันดังฟึุบพอฟลุบเท่านั้นแหละเจ้าค่ะมันเหมือนโลกที่โยมเคยเห็นอยู่ทุกวันมันเปิดขึ้นมาแล้วโยมก็เห็นสภาวะทุกอย่างตามความเป็นจริงโยมไม่ไม่รู้จะพูดยังไงให้สิ่งที่โยมเห็นวันนั้นให้ทุกคนรับรู้ได้ แต่ก็คือมันไม่ใช่โลกที่โยมเคยเห็นหกห้าสิบเจ็ดปีที่ผ่านมามันเป็นโลกแห่งความเป็นจริงไม่ว่าโยมจะมองไปตรงไหนมันเหมือนโยมรู้ว่าว่าจะมองเป็นโยมคูนไม่ถูกมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วพไม่ถูกจะค่ะ จนกระทั่งบัดนี้โยมเอาเป็นว่าโยมไม่สามารถเห็นโยมเป็นเป็นคนเดิมอีกแล้วเค่ะไม่เห็นเป็นพระอาจารย์ไม่เห็นเป็นปัดชอบมันเห็นตามความเป็นจริงเจค่ะถ้าจะมองเป็นเกิดดับก็ใช่เป็นความไม่เที่ยงก็ใช่เป็นธรรมชาติเราเห็นธรรมชาติของสิ่งนังนั้นทุกสรรพสิ่ง ทั่วโลกทั่วจักรวาลซึ่งมันมันอัศจรรย์มากเจค่ะแม้กระทั่งการมองกระจกย่อมจะไม่เห็นว่านี่คือเราเลยเจ้าค่ะแม้กระทั่งลูกที่เราหลักเท่าชีวิตปรากว่าบา ง, บางทีเรามองเขาเจ้าค่ะบางทียมกลัวเขาได้ําไปเจ้าค่ะสภาวะหลังจาก วันที่สามสิบตุลาหกห้าจนถึงบัด น, นี้มันก็ยังมีสภาวะ ต, ต่างๆเกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นบางทีขณะที่โยมนั่งอยู่ในสูตรอาหารข้างล่างโยอมมองไปที่ทุกคนที่กำลังรับประทานอาหารนะเจค่ะโยมเขาก็เห็นเขาเป็นก้อนเนื้อเป็นสิ่งนั้นๆ น, น, นะคะบางทีก็เห็นเป็นก้อนเนื้อเดินมา เห็นเป็นกระดูกทุกคนด้วยจ้ะค่ะโยมถึงขนาดไม่สามารถที่จะยืนได้เลยเพราะว่าโยมไม่สามารถที่จะรู้นี่คือหญิงนี่คือชายเป็นก้อนกระดูกเดินมาเดินมาแล้วก็บางทีหลังจากวันนั้นจ้ะค่ะมันก็มีสิ่งอะไรมากมายขึ้นมาในชีวิตคือการรับรู้จ้ะค่ะคือหลังจากที่สามสิบลาหกห้โยมก็ไม่เคยทิ้ง การรู้สึกตัวมันเหมือนเราทำจนมันเป็นนิสัยคือมันไม่สามารถส่งจิตออกนอกได้อีกแล้วเจ้ค่ะอย่างอื่นยอมไม่รู้จะพูดอะไรก็คือยอมปฏิบัติตามที่หลวงหลวงปู่พูดทุกอย่างทุกคำพูดไม่ผิดเพี้ยนเลยคือวันที่ยมมาฟังหลวงปู่แสดงธรรมที่นี่จ้ค่ะยอมกล่าวแบบซีโลลา ยังพูดกับป้าจอกกับคุณกิติกับคุณอิ๋วเลยว่าคําสอนของเรือเร่องเขาได้เป็นหลวงปู่คล้วกันเจ้าคะ่ะทุกคําไม่ผิดเพี้ยนเลยสักคําเดียวสิ่งที่หลวงปู่แสดงออกมาโยมได้ปฏิบัติแล้วก็เห็นผลจริงทั้งนั้นที่โยมค้าขายเจ้าคะ่ะมีสามีมีลูกแต่ความความเป็นสามีเนี่ยไม่มีมาเนิ่นนานแล้วเป็นเพื่อนกันแต่ โยมยังค้าขายยังทำมาหากกินแต่สิ่งที่โยมปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแสดงไว้โยมสามารถมีวันนี้ได้คือเห็นว่าเราไม่ใช่เราไม่สามารถส่งจิตออกนอกแล้วหลังจากนั้นจิตของโยมมีแต่ความนิ่งเฉยลงพาง ไม่ต้องบังคับโดยหลักธรรมชาติของมันไม่ต้องบังคับเลยเจ้าคะ่ะยืนเดินนั่งนอนจิตไม่เคยส่งออกแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยเฉยกับทุกสรรพสิ่งเจ้าคะ่ะแล้วทีนี้เนี่ยสมมุติจะจ ะ, จะพูดให้คนที่เขากำลังปฏิบัติอยู่ทำบิดทยังไงถึงจะมาสู่จุดนี้ได้ ก็ไม่มีอะไรมากเจ้าค่ ะ, ะกําหนดความรู้สึกตัวแค่รู้สึกตัวเฉยๆก็กําหนดความรู้สึกตัวเฉยๆค่ ะ, ะยืนเดินนั่งนั่ก็คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวถ้าสมมุติว่าจิตเผลอแต่ปัญญโยมไม่เผลอล้วหลุดคืออันนีข้ข อ, อข อ, ขอนึกไปถึงคองสอนหลวงปู่ท่านยันนทะโลนะคะวันนั้นท่านอ า, าพาธอยู่แล้วก็อยู่ในกุฏิโยมก็ไปสวดมนต์แล้วก็ ไปนั่งสมาธิเจริญสติไม่ส่งจิตออกนอกถวายหลวงปู่พ่อตาหนุนท่านอาพาธท่านขอใหม่รู้สึกเดี๋ที่โยมไม่รู้เจ้าค่ะโยมอยู่นอกกุฏิโยมก็ทําตามคําสอนของหลวงปู่ท่านคือท่านบอกว่าให้เอาจิตอยู่ในกายให้ตั้งไว้เจ้าค่ะให้อยู่ในนี้แล้วก็บริกรรมพุทโธเพื่อเป็นค้ำดวงจิตที่มันตั้งอยู่เจ้าค่ะไม่ให้ส่งจิตออกนอก โยมก็ตั้งไห้ทำตัวตรงๆเจ้ค่ะแล้วก็ตั้งไหวแล้วหลวงปูท่ทอนยนัทโลท่านก็พูดออกใหม่ว่าทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วให้จิตอยู่ในร่างกายไม่ต้องส่งออกนอกใช้คำบริกรรมคำไววแต่ตอนหลังของโยมไม่สามารถใช้คำบริกรรมได้เจ้าค่ะแค่รู้สึกตัวคำบริกรรมก็ไม่มีแล้วจ้ค่ ะ, ะก็คนที่กำลังฝึก ก็แค่รู้สึกตัวนี่แหละไม่ต้องบอดีกรรมนะพอบอดีกรรมมาบางคนกับสามสิบสี่สิบปีมาแล้วก็มีก็ไปติดความสงบติดนิ่งติดเฉย อ, อยู่นั่นแหละแต่ที่นี่ถ้าเราไม่บอดีกรรมมันก็รู้อยู่กับกายที่มันนะเดินยืนเดินนั่งนอนนะ่มีสติรู้อยู่ที่กายก็มีอยู่ปณิและมันเผลอกับอย่างที่ว่าไม่ต้องไ ป, ไปว่าไปด่าไปสอนมัน ฮาไม่ต้องไปพูดไปภาคในใจเนี่ยไปดา่าไปสอนมันเผลออีกแล้วอย่า ง, ง น, นั้นอย่างนี้มันโกรธมากอ่ยมันโกรธอีกแล้วอย่างนั้นมันโกรธมันไม่ดีนะเขนาเรียกว่าพูดภากแล้วก็สอนมันด้วยแต่ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปภาคไปสอนก็แค่กแ็แค่รู้สึกตัวมันเผลอไปกแ็แค่รู้สึกตัวก็แค่นี้แหละทําำคตบายเนี่ยไม่ต้องบริกรรมนะอ่าถ้าจะบริกรรมเฉพาะตอนหลับตาแต่อย่าไปนั่งนานไม่ต้องไปนั่งก็ได้พูดถึงเนี่ยมันไม่ยิ่งนั่งกันเี่ยมันก็ เดี๋ยวก็เห็นหนู่นเห็นนี่ก็ออกไปข้างนอกนั่นออกนอกหมดจิตส่งออกนอกหมดจะไปเห็นน่ะให้มันเห็นหเนี่ยกายเห็นจิตเนี่ยทันความคิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันคิดไปรู้ ท, ทันความคิดเนี่ยอ่าไม่ต้องไปรู้วา่าละจิตคนอื่นนะให้ <ilim> รู้วา่าละจิตตัวเองมันคิดดีคิดชั่วคิดไปโกรธไปเกลียดใครก็ให้มันรู้ทันอย่างเนี้ยเขาเรียวกว่ารูว้ว่าละจิตตัวเองแล้วจะหมดจากกิเลสถ้ารู้วา่าละจิตตัวเองเนี่ยแล้วไม่หลงนะพราะรู้อยู่แต่ข้างในไม่รู้ข้างนอกเนี่ยไม่หลง ไม่สรงจิตออกนอกนั่นแหละมันเผือไปก็แค่รู้สึกตัวเนี่ยแค่แค่รู้สึกตัวมันก็อยู่กับตัวเนี่แหละมันเดี๋ยวก็เผืออีกเนไงมันกับ ก, กับรู้สึกตัวอีกมันก็อยู่แค่นี้ทําแค่นี้นะไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปเพง่งไปจ้องไปเปก๊ะไปกเปกลงอะไรเราจะทำสบายสบายเนี่ยยืนเดินนั่ ง, งนอนทําได้ทุกคนมันกายมีทุกคนไม่ต้องไปเช่าใครเข้ามาอุปรกรณ์มีพร้อมกายมีแล้ว อ่านะจิตก็มีแล้วนะเนะี่ยมีพร้อมแล้วไม่ต้องไปเช่าไม่ต้องไปขอยืมใครเข้ามาทำมันมีทุกคนกายกับจิตนี่มีทุกคนมันก็มีแต่กายกับจิตเนี่ยแหละคำสอนพุทธเจ้าเนะี่ยแบบ 40, ปดมืนสี่พันพระธรรมขันธ์น่นะที่มาหากายหายจิตอยู่นี่นะดูอยู่ที่กายที่จิตแต่เราส่วนมากมันไม่ได้อยู่อยู่ที่กายที่จิตนะออกนอกอย่างเดียวไม่เคยอยู่ข้างในอยนีอยู่แต่ข้างนอกตามจัง ความคิดปรุงแต่งออกไปเนี่ยออกนอกอย่างเดียวอดีตอนาคตอะไรแบมันเลยไม่เห็นตัวเองเนี่ยถ้ามีสติรู้อยู่ที่กายที่จิตมันจะเห็นตัวเองขึ้นมาเห็นตัวเองเนี่ยต่อไปก็ไม่หลงตัวเองเพราะมันมันเห็นตัวเองว่ามันไม่ใช่ตัวเองเห็นเห็นเราไม่ไม่เป็นเราแล้วดูเราจนไม่เป็นเราเอางี้ดีกว่านะรู้อยู่ที่กายที่จิตเนี่ยดูเรายืนก็ดูนั่งก็ดูนอนก็ดูเดินไปไหนก็ดูดูจนมันมันเบียไม่เป็นเราน่ะ อันนี้มันเป็นเราอยู่ตลอดเพราะเราไม่ดูมันเราออกไปกับความคิดนะออกไปตามความคิดของมันะ่ะเงาของมันเงาของจิตอาการของจิตทั้งนั้นที่เราตามมันไปแต่ตัวจริงอยู่ข้างในเราไม่เคยดูรู้มันอยู่ข้างในนี่ที่ที่เราตามออกไปมันหลงทั้งนั้นน่ะมันพาไปหลงหมดนะ่ะหลงโกรธหลงเบียดหลงรักหลงชังหลงไปกับอดีต อ, อนาคตเห็นไหมตัวจริงรู้อยู่ข้างในธรรมะต้องอยู่กับรู้อันนี้อย่าไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้อาการที่หลอกลวงพวกนั้น มีสติอยู่กับตัวมันจะอยู่แต่ข้างในเนี่ยนะคิดมากับรู้ทันมันก็อยู่แต่ข้างในไม่ออกนอกนี่มันถึงจะเห็นตัวเองนะเห็นตัวเองมันก็ไม่ใช่ตัวเองดูไปดูมามันไม่มีอะไรเป็นเราเลยมันไม่หลงตัวเองละทีเพราะตัวเองไม่มีไอ้นี่เราไม่ดูตัวเองก็หลงอยู่นั่นแหละนะหลงตัวเองแล้วก็ไปหลงคนอื่นนะก็หลงไปด้วยกันหมดแล้มันมืดมันบอดนะวีเดียรมันบังไว้บังไม่ให้ดูตัวเองเนีมันไปดูแต่คนอื่น ไปเห็นแต่คนอื่นนะเห็นความไม่ดีของคนอื่นแต่ความไม่ดีของตัวเองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้แก้ตัวเองสักทีเยถ้าเห็นตัวเองนี้ต่อไปไม่หลงตัวเองละเพราะตัวเองไม่มีมันเข้าใจว่าไอที่ว่าเป็นตัวมันไม่ใช่เราแล้วเมี่ยแต่ความคิดปรุงแต่งนี่จนเป็นอาการของจิตมันไม่ใช่เราหมดนั่นแหละเนี่ยแต่จิตผู้รู้นนั้นก็ไม่ใช่เราเหมือนกันสรุปแล้วมันเลยไม่มีอะไรเป็นเรานี่เห็นเห็นโดยตามความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นเรา ยึดอะไรไม่ได้สักอย่างแม้แต่ทำท่านก็บอกแล้วไม่ควรยึดสัพเพธรรมาอนัจจาท่านก็บอกแม้แต่ทำก็ไม่ยึดไม่ยึดอะไรสักอย่างเลยไม่มีเราจนหมดความเป็นเราเนี่ยต้องดูเราอยู่นี่แล้วมันจะไม่ยึดเราความเป็นเราจะจะหมดไปอันนี้เราไม่ดูตัวเองเนี่ยมันออกแต่ข้างนอกเนี่ยไปดูแต่คนอื่นนะตายเห็นลูกไปปรุงไปแต่งเกิดความชอบไม่ชอบขึ้นมาเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมา หูได้ยินเสียงกับมันกันเกิดความชอบไม่ชอบเกิดความพอใจไม่พอใจหูก็เป็นหูหาเรื่องตาก็เป็นตาหาเรื่องเพราะมันออกนอกมันไม่ดูตัวเองถ้ารู้ดูตัวเองเนี่ยมันจะเห็นตัวเองแล้วก็มันก็จะไม่มีตัวเองต่อไปมันจะไม่มีตัวมีตนไม่หลงตัวหลงหลงตนอีกเนี่ยแต่จิตนี้ก็ไม่ใช่เรามันไม่ไปหลงอะไรทั้งนั้นละมันของของของปลอมหมดของจริงมันมีหนึ่งเดียว ของจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะแล้วมันก็ไม่ว่ามันเป็นอะไรอีกจังหากมันมีหน้าที่รู้อย่างเดียวเฉยอย่างเดียวอเป็นหนึ่งเดียวอันนั้นเหลือหนึ่งเดียวเท่านั้นเองมันเลยไม่มีตัวมีตนเนี่ยเราต้องทำอย่างนี้ต้องรู้สึกตัวตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับอย่างที่บอกไปนะ่ะตออื่นตอนเช้ามาทําอะไรบ้างไปทําอะไรก็มีสต่หยุดท่าสิอยู่กับตั ว, เ, ว, ดวเดี๋ยวอี ก, อก ได้5นาทีใช่กวมา4 5นาทีแล้วหลวงปู่จะมาเทศแล้วนะจุดจุดทีนี้นี่ที่10นาทีหลวงปูง่เดี๋ยวเดี๋ยวโยมมีอะไรจะถามอยู่ไหมอีกสัก5นาทีอันนี้แหละ5นาทีครับดูตัวเองนะอย่าไปดูคนอื่นครับให้รู้อยู่กับตัวเองเห็นตัวเอ ง, เ, องเดินก็เห็นมันเดินนั่งก็เห็นมันนั่งนอนก็เห็นมันนอนคิดก็เห็นมันคิดครับอย่าไปติเป็นอะไรกับมันแค่รู้แค่ดูแค่เห็นอย่าเข้าไปเป็นกับเขาอ่ามันถึงจะหมดตัวหมดตนนะ ผู้ผู้รู้อย่างเป็นผู้หลงนะครับกับผู้รู้เนี่ยเราผู้หลงแหละผมหลงว่าเรารู้เมันหลงว่าเรารู้เนี่ยใช่ไหมเหรอแต่มันไม่รู้ว่าเราหลงนะมันหลงว่าเรารู้แต่มันไม่รู้ว่าเราหลงถ้ารู้ว่าเราหลงเนี่ยมันจะได้แก้ได้ไขนะถ้าว่าหลงว่าเรารู้แล้วมันจะไม่ได้แก้ได้ไขแล้ครับ